สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาท น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชวิตสาวกครั้งที่สิบสี่เรื่องการครอบครองโลกพียงครับเมื่อเราหันมาดูชีวิตคริสเตียนของเรานั้นวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงเรียกเราก็คือให้เรานั้นครอบครองโลกครั้งแรกเลยที่พระเจ้าได้ทรงสร้างอาดัมและเอวาพระเจ้าได้บอกกับอาดัมเอวว่าให้ครอบครองโลก ให้ครอบครองฝูงสัตว์ในทะเลฝูงนกในอากาศและสรรพสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องครอบครองอาดัมนั้นก็ส่งผ่านดีเของการครอบครองลงมาถึงพวกเราเราเป็นคนที่สําคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าเพื่อทํางานที่สําคัญมาถึงตรงนี้ทําให้เรามีข้อคิดว่าหลายหลาคนเป็นคนสําคัญครับ แต่ทำงานที่ไม่สำคัญเท่าไหร่ทีนึงครับในเช้าวันนี้เราจะมาพิจารณาดูตัวเองว่าเราได้อยู่ในโหมดของการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนหรือเปล่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทีแรกะครับพระเจ้าบัรใช้เ้าครอบของโลกพระเจ้าทรงให้มนุษย์ได้รับเกียรติยศสง่าราศีให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาหมดเลยมนุษย์จึงมีเกียรติยศและความยิ่งใหญ่ สถานภาพของมนุษย์นั้นก็ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงหน่อยเดียวเท่านั้นเองเราต่ำกว่าทูตสวรรค์ในแง่ที่ว่าฤทธิ์ของเราหรืออำนาจของเรานะครับเรายังเทียบทูตสวรรค์ไม่ได้ทูตสวรรค์จึงมีฤทธิ์มากกว่าเราเราเป็นมนุษย์เราถูกกำหนดอยู่ภายใต้ความจำกัดทางกายภาพแต่ทูตสวรรค์เป็นวิญญาณดังนั้นเอง ทุสวรรค์จึงไม่ได้ถูกจํากัดทางกายภาพอันนี้คือสิ่งที่ทุสวรรค์เป็นในขนาะเดียวกันครับทุสวรรค์ต่ำกว่าเรานิดหน่อยในแง่ของการที่ว่าทุสวรรค์นนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นไม่เซ่นเจอร์แต่เรานั้นเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับหลังจากที่เราเชื่อพระเยซูแล้วเรามีสรัทภาพสูงกว่าทุสวรรค์ครับ สูงกับต้นสวรรคในแง่ที่ว่าเรานั้นมีสนภาพเป็นบุตรของพระบิดาเป็นลูกที่รักของพระบิดาแล้วดูครับหลังจากที่มนุษย์ทาบาปอาดัมก็ได้สูญเสียสิ่งที่เถ่าได้รับจากพระเจ้าแทนที่เป็นผู้ครอบครองที่ไม่มีใครคร้านได้เลยแต่บัด น, นี้เขากลับครอบครองอย่างอยากไม่มั่นคงครับไม่มั่นคงไม่เหมือนก่อน หลังจากที่เขาทําบาปเราเห็นว่าความหนักหนาสาหัสของการทําบาปนั้นทำให้มนุษย์ตกต่ำจากวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าตั้งไวใ้ให้กับโลกให้กับคนในภรกิติคุณทั้งสีเล่มก็มีเรื่องราวที่เราจะเอาอานาจครอบครองนี้กลับคืนมาได้อีกครับไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถบังคับลูกสุนัขที่แยกเคี้ยวคารามให้ยิ้มหรือว่าให้งูพิษไม่กัดเรา ในพระกิจคุณนั้นหมายความว่าผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าเป็นมรดกทั้งชนที่สุดปลายแผ่นดินโลกโลกก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเราครับหมายความว่าเรามีสิทธิอำนาจที่จะครอบครองฝ่ายศีลธรรมฝ่ายจริยธรรมฝ่ายจิตวิญญาณครอบครองทางศีลธรรมจริยธรรมฝ่ายจิตวิญญาณเหนือทุกคนที่ในโลกเพราะเรามีหน้าที่ที่จะเปลี่ยนเขา ให้เขาเป็นลูกของพระองค์เหมือนกับเราพี่น้องครับเราครอบครองในเรื่องการมีชีวิตที่บริสุทธิ์เราครอบครองในเรื่องของการดําเนินชีวิตที่ไม่มีใครติดได้อันที่จริงความงดงามของชีวิตคริสเตียนนี้เป็นสิ่งที่อาดัมไม่เคยรู้จักเราเข้าส่วนกับพระเจ้า ในการที่ทรงไถ่โลกนี้นี่แหละครับเป็นงานของเราเราต้องสอนคนทั้งปวงให้เอาชนะใจตัวเองมารับใช้พระเจ้าในอาณาจักรของพระองค์สิ่งนี้อาดัมไม่เคยทําครับพี่น้องครับเราจะต้องขอบคุณพระเจ้านะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจที่เราไม่ได้สํานึกในเรื่องนี้ที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้เราทําหน้าที่ครอบครอง แล้วกับพอใจที่จะใช้ชีวิตทำสิ่งที่อยู่ในระดับต่ำกว่างานที่ต่ำกว่าหรือมีชีวิตยอยู่ในโหมดที่ต่ำกว่าเราเคลือบคลางเคืบคลานนะครับเราค่อยๆกระดึบกระดึบไปแทนที่จะบินครับเราทำตัวให้เป็นชาติชาติของโลกนี้แทนที่จะเป็นกษัตริย์ปกครองโลกพี่น้องครับ จะมีสกี่คนครับที่ได้เห็นถึงภาพที่ว่าประเทศต่างๆนั้นกําลังเรียกร้องอยากจะรู้จักกับพระเยซูคนเป็นล้านๆคนียังไม่รู้จักพระเยซูเขากําลังเรียกร้องอยากจะรู้จักกับพระเยซูมีใครจะเห็นภาพนี้ไหมครับเรามาดูครับว่านักเทศผู้รับใช้ผู้ยิ่งใหญ่ท่านเทศนาท่านผู้นี้ชื่อท่านสเปอร์เจียนครับท่านเขียนข้อความต่อไปนี้ ถึงบุตรชายของท่านเขียนข้อความต่อไปนินถึงลูกชายของตัวเองนะครับเขียนอย่างนี้ครับว่าถ้าพระเจ้าทรงเรียกลูกให้ไปสอนให้ใครๆรู้จักพระองค์พ่อก็ไม่อยากให้ลูกตายอย่างเหตุเสตีแต่ถ้าลูกเหมาเอาเองที่จะสอนให้ใครๆรู้จักพระองค์พ่อก็ไม่อยากให้ลูก ลดฐานะตกลงมาเป็นพระราชาการที่ลูกจะเป็นพระราชาเป็นขุนานางมีมงกุฎจะเทียบได้หรือกับเกียรติในการนำคนทั้งหลายมารู้จักพระเยซูสิ่งเหล่านี้จะสู้กับเกียรติยศอันเกิดจากการสร้างเพื่อพระคิดหรือ ไม่ใช่สร้างบนรากฐานอื่นของมนุษย์แต่เป็นการประกาศเปิกิณคุณในประเทศไกลโพ้นจากดินแดนที่เคยประกาศกันมาแล้วพี่น้องครับถ้าพระเจ้าเรียกลูกของเราให้ไปสอนให้ใครๆรู้จักพระเยซูให้ไปเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาให้ไปเป็นมิชชันนารีเราจะ ให้ลูกไปไหมครับ ท, ทั้งที่ลูกสามารถเป็นเศรษฐีได้สเปอร์เกียนนั้นบอกว่าพ่อไม่อยากให้ลูกลดฐานะตกลงมาเป็นพระราชาแทนการที่จะไปเป็นมิจฉาเนรีแทนการที่จะนำคนทั้งหลายมารู้จักพระเยซูคริสเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นเกียรติ เกียรติยศจริงๆครับการที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าผู้สูงสุดการที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้านำพระกิติคุณไปถึงคนเ็ น, นั้นมากในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วเป็นเกียรติที่สูงสุดบิลลี่เกรแฮมครับอีกขั้นหนึ่งได้เล่าถึงเหตุการณ์จริงว่าเมื่อบริษัทน้ำมันสแตนดาร์ดออย หาผู้ที่อยู่ทางกานออกไกลให้เป็นตัวแทนของบริษัทเขาได้เลือกผู้รับใช้คนหนึ่งผู้รับใช้พระเจ้านี่แหละครับเป็นผู้ประกาศเขาวประเสริฐแล้วก็บอกว่าบริษัทน้ำมันนะครับ Standard Oil เนี่ยเสนอให้เขาหนึ่งหมืนดอลลาร์แต่มิชเจนรีผู้นี้ผู้ประกาศผู้รับใช้ผู้นี้ไม่แยแสครับแล้วบริษัทก็เสนอให้สองหมนห้าันดอลลาร์ เพิ่มเข้าไปนะครับแต่เขาก็ไม่รับเมื่อบริษัทเสนอให้ห้าหมืนดอลลาร์ห้าเท่าเลยนะครับเขาก็ไม่เอาบริษัทถามว่ามีอะไรผิดลพลาดหรอชายผู้นั้นตอบว่าราคาก็ถูกต้องดีครับแต่หน้าที่ที่ท่านมอบให้ผมนั้นมันเล็กเกินไปพระเจ้าทรงเรียกผมให้เป็นครูสอนศาสนา เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นมิตรันนรีครับพี่น้องครับเท็กเรียนมีเสียงเรียกร้องที่สูงส่งสูงสง่าเหนือเสียงเรียกทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเราต่อหนักในข้อนี้ชีวิตของเราจะสูงส่งเช่นเดียวกันสูงส่งสูงสง่าเช่นเดียวกันเพราะเราตอบสนองต่อเสียงเรียกที่อยู่เบื้องบนครับ เสียงเรียกจากเบื้องบนนี้ทำให้เราจะต้องมานั่งพิจารณาว่าชีวิตของเราจะเอาไงกันดีต่อไปเราจะไม่พูดต่อไปว่าพระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นช่างปปาช่างจ่อมรถนักฟิสิกส์หรือแม้แต่ทันตแพทย์หรือวิศวกรแต่เราจะพูดใหม่ว่าพระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นสาวก สิ่งอื่นซึ่งเป็นวิชาชีพของเรานั้นเป็นเพียงอาชีพรองเท่านั้นอาชีพหลักของเราก็คือสาวกคุณครับน่าสนใจนะครับอาชีพหลักของเรานั้นคือสาวกไม่ว่าท่านจะดํารงตาแหน่งใดๆนะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นวิศวกรเป็นนักบัญชีคุณครับอาชีพหลักของเราคือสาวกสาวกคือ การทำหน้าที่ประกาศทำหน้าที่อภิบาลและทำหน้าที่เลี้ยงดูเพื่อให้คิดจักของพระเจ้าเติบโตครับนี่เป็นหน้าที่หลักของคนที่เป็นสาวกแท้ของพระเยซูอาเมน